ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อตุ้มฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้ววันนี้เรามาเจริญกระทาปฏิบัติสมาธิกันด้วยวิธีการเจริญธาตุกรรมฐานคือการแยกแยะธาตุในร่างกายของเรา ดังที่พระพุทธเจ้าได้เคยสอนท่านพระราหุลไว้ดังนี้ว่าอากาสะสมังภาวนังภาเวหิอากาสะสมญิเตภาวนังภาวยะโตอุปนนามนาปามะนาปาปุดสาจิตตังนปริยาทายะทัสสันติเธอจงอบรมจิต ให้เสมอด้วยอากาศเดิดเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยอากาศอยู่พันธสัตย์ทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจที่เกิดขึ้นจะไม่กลุ่ม ร, มรุมจิตของเธอตั้งอยู่ต่ร่างกายคนนั้นประกอบด้วยท่าทั้งหมดหกอย่างท่าบฟฝั ง, งส่วนที่เป็นกายเป็นรูป มีห้าอย่างส่วนที่เป็นนามเป็นใจนั้นมีหนึ่งอย่างเหล่านี้ประกอบกันขึ้นแล้วเป็นกายของเราเป็นตัวเราเป็นของเราขึ้นมาแต่เมื่อเรารู้สึกว่าเออนี่เป็นตัวฉันตัวฉันชื่อนี้นามสกุล น, นี้พอมีตัวฉันแล้วมันก็มีของฉันด้วยนะ อันนี้กของฉันเป็นบ้านฉันเป็นรถฉันเป็นอาหารของฉันเป็นเงินของฉันเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกของฉันของฉันของฉันแต่มีของฉันแล้วก็ต้องมีของแก่ด้วยก็ต้องมีแกด้วยก็ถ้ามีตัวเราก็มีคนอื่นมีคนอื่นก็มีของของคนอื่นเพราะมีของเรามีของของคนอื่น ปัญหามันเกิดทันทีตบเบาะงันเกิดตรงที่ป่าก็เดี๋ยวของฉันก็ไปเป็นของเธอเดี๋ยวของเธอมันก็มาเป็นของฉันเปลี่ยนแปลงไปมาไอ้ตรงนี้แหละมันได้มีปัญหาเพราะว่าความที่มันก็เดี๋ยวเป็นของฉันเป็นของเธอปัญหามันก็จึงเกิดว่าใหม่ๆฉันต้องการให้อย่างเป็นของฉันอยู่อยงไม่ใช่ของเธอเพราะว่าความเป็นของของใคร มันอยู่ที่ความอยากของคนคนนั้นรายอยางตรงไหนมันก็ให้เป็นอย่างนั้นทีนี้ความอยากคนมันก็ไม่ตรงกันหลกมันไม่ได้จะเข้ากันได้มันไม่ได้จะเหมือนกันตลอดเวลาเราจึงมาทำความเข้าใจจริงๆแล้วว่าไอ้ที่ว่าของเราและนั่นที่เขาว่าของเขานี่มันไม่ต่างกันให้เข้าใจตรงกันว่าจริงๆ เหมือนกันเท่านัจึงสอนไว้ว่าให้พิจนารณาโดยความเป็นธาตุตัมฟังสิ่งของทั้งหมดไม่ว well, ่าจะของเราหรือของเขาไอ้ที่ว่าไม่ใช่ของเรานั้นด้วยหรือที่ว่าที่ว่าก็ไม่มีเจ้าของอะไรเลยนั้นด้วยมันเหมือนกันมันเหมือนกันในไงท่านในก็บภูเขานี่ก็น้ํานก็บทองฟ้านี่ก็ต้นไม้อันนี้อาหารอันนี้กินได้อันนี <k <k <t <t ้กินไม่ได้มันเหมือนกันโดยความเป็นธาตุ ต็บูฟังธาตุทอทงสละอา ต, อต่อเต่าสละอุธาตุแปลว่าหน่วยเล็กๆที่แยกแยะออกแล้วเหมือนกันที่เรามักจะได้ยินก็คือธาตุสีดินน้ำไฟลมยังมีธาตุที่ยาคือเอามาประกอบกันแล้วมันมีช่องว่างอยู่ก็หรือว่าอากาศธาตุ ที่มีธาตุที่หกที่เป็นน้ำนั่นก็คือวิญญาณธาตุทั้งหมดนี้ประกอบกันเป็นร่างกายของเราในลักษณะที่ให้มีชีวิตขึ้นมาตัว อ, อย่างว่าถ้าเอาธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟนะมาผสมกันยกตัวอย่างเช่นว่าคุณก็เอาก้อนหินมาก้อนหนึ่งเทน้ำลงไปจุดไฟอยู่ด้านล่างให้มีความร้อนอาคาศมันก็ติดอยู่กันับ ในเจ้าน้ําแล้วก็ก้อนหินอยู่แล้วนะ่ะแล้วในก้อนหินมันก็มีโพรงมีช่องว่างอะไรอยู่ใช่ปะ่ะอ้าวทำไมมันถึงไม่เป็นมีชีวิตขึ้นมาอ้าวไม่มีวิญญาณธ า, าตุไงทุกฟังวิญญาณธาตุก็ต้องเข้าไปประกอบให้เกิดกัน ร, รับรู้ด้วยให้มีการรับรู้ผ่านทางตาทางหูในลักษณะที่ธาตุทั้งหลายประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตคือเป็นอินทรีย์ นั่นก็จึงมีความสมคัญท่านจึงบอกว่าหนึ่งต้องมีธาตุสีสองต้องมีวิญญาณธาตุคือนามและรูปและสามต้องประกอบกันในลักษณะที่เป็นชีวิตคือเป็นอินทรีย์ขึ้นมาจึงเกิดขึ้นมาเป็นคนคนหนึ่งพอเกิดขึ้นมาเป็นคนคนหนึ่งแล้วไม่ว่าจะเป็นสัตว์ด้วยนะคนด้วยเออก็รู้สึกว่านี่เป็นตัวเราใอที่ว่ารู้สึกว่าเราเป็นตัวเราขึ้นมา เพราะมันประกอบกันเป็นชีวิตขึ้นมาแล้วไงตัวฟังคนก็จึงรู้สึกวนี่ตัวฉันนะและฉันนี่จะชื่ออะไรเราจะเกิดจากพ่อนี้แม่นี้เขาก็ตั้งให้ว่านามสกุลนี้แต่มีหลายคนเขาก็เรียกชื่อให้ด้วยว่าเป็นเด็กหญิงนี้เด็กชายนี้ขึ้นมาเป็นตัวเราคนหนึ่งสมมุติเกิดมาจากธาตุทั้ง6อย่างที่ประกอบขึ้นมาใน ล, ลักษณะที่มีชีวิต ด้กระบวนการที่จะทำให้เกิดเป็นชีวิตหรือเป็นอินทรีย์ขึ้นมาเนี่ยก็โดยเรื่องของกรรมถ้าเป็นมนุษย์ก็ผ่านระบบการตั้งครรภ์ถ้าเป็นพวกเทวดาเป็นสัตว์นรกก็ผ่านระบบของการผดเกิดขึ้นมีรูปแบบการเกิดอยู่ตามกรรมคืออาสวะที่ได้กระทำมาจึงเป็นคนคนหนึ่งขึ้นมา ที่เกิดมาได้นี้เพราะมีความยึดถือมาแล้วยึดถือแล้วจึงเกิดขึ้นมาได้เพราะมีอุปาทานคือความยึดถือจึงมีความเป็นสภาวะคือพบมีความเป็นสภาวะคือพบแล้วจึงมีการเกิดเราเกิดขึ้นมาเป็นตัวตนอยู่แล้วเป็นชีวิตแล้วอาศัยท่าต่างๆประกอบมาแล้วเราจะให้ไม่ยึดถืออะไรนะ เพราะว่ายึดตัวมันทุกทุกตรงไหนฮึกดเป็นตัวเราเป็นของเรามันก็มีตัวเขามีของเขามีของเรามีของเขาตามความอยากมันได้มีปัญหาแน่นอนไม่ปัญหาเล็กก็ปัญหาใหญ่ไม่ความทุกข์นิดหน่อยก็ความทุกข์มากมายไม่ได้ตรงแบบบางทีตะเลาะกันก็ได้ขัดเครืองคุณมัวกันเพราะไอ้ความที่ว่ารู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยแหละ เราจะไม่ให้เราต้องไปทุกข์ก็ต้องอย่าไปยึดถือโดยความเป็นตัวเราของเราจะไม่ให้ยึดถือโดยความเป็นตัวเราของเราก็พิจารณาโดยความเป็นธาตุนี่แหละตั้ังวันนี้จึงจะสอนเรื่องธาตุกรรมฐานพิธีการที่เราจะแยกแยะร่างกายของเราทั้งส่วนที่เป็นนามและส่วนที่เป็นรูปออกจากกัน ในใกายของเรานี่แหละตามฝังจากข้างบนสู่ข้างล่างจากใลายผมถึงพื้นเท้าร่างกายของเราที่มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบมีการรับรู้สิ่งต่างๆได้ผ่านทางตาทางหูรับรู้ผ่านทางวิญญาณและมีการตอบสนองได้ปรุงแต่งไปเป็นทางกายวาจาและใจก็รับรู้สิ่งต่างๆเหล่านั้นได้อีก จึงมีชีวิตต่างๆกันก็ขยับขยื่นเคลื่อนไหวได้แตกต่างกันมนุษย์ก็งอเข่าไปข้างหน้านกฟรามิงโค ก, ก็งอเข่าไปข้างหลังสัตว์เซลล์เดียวก็กระดึบกระดึบไปตามแต่ที่อยู่ของมันอยู่ในของโศโครคบ้างอยู่ในเลือดเราบ้างอยู่ในลำไส้เราบ้างหรืออยู่ตามที่ต่างๆในอากาศบ้างในพื้นดินในท้องน้าบ้าง มีความแตกต่างกันไปตามประเภทของสิ่งมีชีวิตส่วนในของร่างกายที่มีความเข้มแข็งมีลักษณะที่เป็นก้อนอาจจะไม่ได้แข็งเป๊กเหมือนหินเหมือนดินแต่เป็นก้อนเป็นล้ำอะไรที่จับได้ด้วยมือและถือขึ้นมาเป็นชิน้นเป็นชิ้นได้นั่นนะทั้งหมดนั่นนหะคือธาตุตินคือส่วนที่มีลักษณะเข้มแข็ ง, ขงเป็นของหยาบยกตัวอย่างในร่างกายอย่างเช่นว่า หนังของเรานี่ก็ใช่อวัยวะภายในทั้งหมดนี่ใช่เลยเจะไตหัวใจตับมา้าปอดลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่อาหารที่กินเข้าไปนี่ก็ใช่อุจจาระที่เจาะมานังก็ด้วยยังมีเอ็นมีกระดูกถ้ามองเห็นจากภายนอกได้ก็นี่เลยผมขนเล็บฟันหนัง คนนี้คือธาตินธาดินในร่างกายของเราที่เราไปยึดถือวันนี้คือตัวเราเนี่ยเนีย่ยหนังของเราเนี่ต้องทาครีมต้องอาบน้ําต้องถูสบู่ผมของเราเนี่ก็ต้องสระ ก, ก็ต้องล้างคนต่อให้ไม่มีผมนะทุกฝัง่งก็ยังต้องสระผมนะเหมือนพระสงฆ์นี่อย่าไปคิดว่าพระสงฆ์จะไม่ได้ใช้แชมพูนะก็ใช้เหมือนกัน มันมีหนังอยู่ก็ต้องล้างหนังหัวนแหละสิ่งเหล่านี้เป็นธาตุดินที่เห็นได้จากภายนอกทั้งภายนอกทั้งภายในด้วยเรายึดถือว่านี้คือตัวเราของเราดูไหมเหตุที่เรายึดถือว่านี้เป็นตัวเราของเราเพราะความยึดถือเข้าไปยึดถือเอาแล้วธาตุดินเหล่านี้มาจากไหนก็มาจากอาหารที่เรากินเข้าไปนั่นแหละอาหารมันเป็นธาตุดินไหมก็เป็นแล้วตอนที่มันเป็นผัก เป็นผลไม้อยู่ข้างนอกลูกอยู่เนี่ยมันเป็นธาตุดินไหมออมันก็เป็นธาตุดินนะผักผลไม้มันก็โตมาจากดินใช่ไหมนะตอให้คุณกินเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์เรานะั้นมันก็กินผักผลไม้มก็มาจากดินนั่นแหละเออมาจากดินีตตอนนั้นทำไมเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นตัวเราผมาเนยังเป็นต้นไม้อยู่เป็นผลไม้อยู่ใช่ไหมพอกินเข้าไปแล้วผ่านกระบวนการย่อยเ อ, อ้ย มันมาเสริมสร้างผิวหนังเสริมสร้างอวัยวะภายในบางทีช่วยระบบย่อยระบบขับถ่ายไม่ต้องดูอะไรมากพวกบางทีกินอาหารเสริมหรือกินยาจากหมอให้อย่างนี้ไอ้ตอนที่มันอยู่ในแคปซูลอยู่ในเม็ดเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นตัวเราเวลาแต่พอกินเสร็จปุ๊บโอ้อันนี้เสริมคอลลาเจนนะอ่าทำให้ผิวพันเป็นอย่างงี้หรือทำไมมันไปเสริมต้ น, นได้แล้วพอเรา เแล้วพอมันก็ไปอยู่ในผิวพันุ์เราแล้วเราก็รู้สึกว่านี่ผิวพัน์ของเราไอ้การผสานกันวันนี้เป็นของเรานี่มันเกิดขึ้นทันทีในตัวเราหรือว่าแต่มันมาจากภายนอกมือธาตุดินเหมือนกันนั่นน่ะถ้าไม่เหมือนกันมันจะไปเข้ากันได้ไงใช่ไหมล่ะมันก็เหมือนกันมันจึงมาประกอบไปอยู่ด้วยกันธาตุดินภายนอกก็เหมือนกันกับธาตุดินภายในเหมือนกันนะดูความเป็นธาตุนะ โดยความทเป็นของเข่นแข็งเพียงแต่ภายในเนี่ยเรามีความยึดถือเอาว่าเป็นตัวเราของเราแต่โดยความเป็นธาตุแล้วเหมือนกันไม่ว่าจะข้างนอกหรือข้างในแล้วก็โทษเธอเอ ว, วัยวะภายในไตหัวใจตับปอดนี่มันก็ทำหน้าที่ของมันต่างกันใช่ไหมล่ะแต่มันประกอบขึ้นจากธาตุเดียวกันนะ่ะคือธาตุดินเนี่ยมันมีประกอบเข้าไปแล้ว ก็คุณกินข้าวหนึ่งช้อนกินไข่หนึ่งฟองกินแตงกวาหนึ่งลูกก็ไปนี่มันไปเลือกได้เหรอว่าเฉพาะโอเคแตงกวาลูกนี้นะไปเสริมสร้างหัวใจแต่ว่าอย่าไปที่ปอดนะเออราก็เดี๋ยวส่วนอื่นเนี่ยก็ค่อยไปที่ม้ามที่ไตอะไรก็ค่อยว่ากันส่วนอันนี้คอลลาเจนนี้เท่านั้นแตไปเฉพาะผิวหนังอย่าไปที่กระดูกนะไม่เลยท้อฟังมันไปทั่วเลยตามระบบ ของร่างกายซึ่งนี้เป็นลักษณะการทํางานตามกระบวนการของชีวเคมีภายในร่างกายของเราเมื่อทํางานไปอยู่ละมันก็ไปทั่วนะ่งเพราะฉะนั้นมันเหมือนกันไงตูบูฟังเพียงแต่ว่าไอ้ที่มันเข้าไปประกอบแล้วมันทําหน้าที่ต่างกันโดยถ้าเป็นหัวใจก็เต้นดึบดึบอย่างนี้ผ่าเลือดไปอย่างนี้อัตตาใจก็อยู่นิ่งๆอย่างนี้ทํารูปร่างอย่างนี้กรองเลือดอย่างนี้ อยู่ที่ว่าลักษณะไหนประกอบกันเข้าแล้วก็ทำหน้าที่ต่างกันไปแต่เป็นธาตุดินเหมือนกันธาตุดินทั้งที่เป็นภายในและภายนอกเหมือนกันจะยึดถือหรือไม่ยึดถือก็ธาตุดินเหมือนกันและที่ยึดถือเนี่ยไม่ใช่แค่ข้างในอย่างเดียวนะใครมีโทรศัพท์มือถือบ้างโอยที่ฟังอยู่นี่แล้วโทรศัพท์มือถือหรือใครมีรถยน ใครเป็นเจ้าของที่ดินมีบ้านพวกนี้เฮ้ยนีบ้านของเรา呐นะนี่ที่ดินฉันนะ่呐แล้วก็นี่ก็โทรศัพท์มือถือฉันด้วยเหมือนฉันซื้อมาอ เ, เงินธนบัตรที่คุณถืออยู่ด้วยนั่นแหละนั่นคือท่าดินจ้ะบ้าะเป็นของเขลื่อนแข็งอยู่ภายนอกเรายังยึดถือท่าดินที่อยู่ภายนอกนะ่ะวันนี้ของเราอย่างได้เลยแต่มันคือท่าดินเหมือนกันไงท่านผู้ฟังท่าดินที่ จากที่ดินไม่ใช่มีใครเป็นเจ้าของหรือเป็นของคนอื่นมันก็อันดินเดียวกันกับถ้าดินแปลงข้างๆใช่ไหมล่ะเออมันเหมือนกันโดยคุณสมบัติมันเหมือนกันน่ะแต่แปลงข้างๆอ่ะทาไมเจ้าของอีกคนหนึ่งเขาไปยึดถือแต่คนนั้นเขาไปยึดถือของคนอื่นไม่ได้นะเดี๋ยวมีปัญหากันโอ้ยที่มันมีปัญหากันเนี่ยเพราะว่าเขตแดนมันคาบเกี่ยวกันมีเรื่องกันอ่ะทไมน้ําเธอไหลมาตรงนี้ไม่ได้นะต้องอยู่ นี่แหละความยึดถือเคลื่อนออกมาข้างนอกก็ได้ไม่ใช่แค่จำกัดอยู่เฉพาะในตัวของเราจะธาตุดินที่เราไม่ยึดถือหรือเรายึดถือจะธาตุดินที่เป็นภายในหรือภายนอกความจริงนะความจริงความจริงความจริงคือมันเหมือนกันตันวาถ้าเรายึดถือธาตุดินเหล่านั้นทากตัวจนเราจะมีความทุกข์ท่านจึงให้ทำยงไง บอกท่นพระราหุนเอไว้บอกว่าสิ่งเหล่านี้เสมอกันนะาเธอต้องเห็นด้วยปัญญานะว่าอะไรมันเป็นเพียงธาตุดินเฉยๆก่อนที่เราจะพิจารณาด้วยปัญญาว่าอย่างไรใช่ไหมเราไม่ต้องเอาปัญญาลึกซึ้งอะไรมาเอาปัญญาเบื้องต้นก่อนตอนนี้เดี๋ยวเรื่องลึกซึ้งค่อยไปใส่ไว้ว่าไว้กันในตอนท้ายท่านไปก่อนเพราะวา่าถ้ามันมีหกอย่างหนึ่งว่าไปแล้วคือ ดินกรียว่าปัตถวีธาตุหรือธาตุดินนอกจากสิ่งที่เข้มแข็งแล้วในร่างกายของเราก็ยังมีสิ่งที่เหลวที่ไหลไปได้เ อ, อิบอาบเปียกชุ่มอยู่หนึ่งคือธาตุน้ําหรือเรียกว่าอาปโปธาตุอย่างเลือดของเราเป็นตน้นเหนืออะไรที่มันแบบไม่ได้จับขึ้นมาดึงเป็นชิ้นเป็นชิ้นได้แต่เรต้องมีภาชนะ มารองไว้ถึงจะอุ้มตัวมันขึ้นมาได้นั่นคือธาตุน้าทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเลือดเงอน้ำตาน้ำเหลืองน้ำลายน้ำเมือกหรือของเหลว อ, อะไรที่มันเข้าไปประกอบกันอยู่ในของเขลื่นแข็ง น, นั้นก็ตามทีนว่าตายอย่างเงี้ย ถ, ถูกตัดออกมาแล้วบีบคั้นน้มามันก็มีน้ำไหลออกมาอยู่นะ อของเหลวที่ประกอบกันเข้าไปกับของแข็งก็มีหมายเอาของเหลวนั้นนะ่ะที่เป็นของเอาา่อป่าเปียกชุ่มเหล่านั้นน้ำคือเลือดเป็นต้นหรือเหงื่อเป็นต้นมาจากไหนก็มาจากน้าที่เราดื่มก็เป็นนีแหลบางคนชอบดื่มน้ำหวานบางคนชอบดื่มน้ำผลไม้บางคนชอบดื่มน้ำเปล่าก็น้าเหล่านี้ทั้งหมดนั่นแหละ ที่เข้าไปในร่างกายของเราออกมาเป็นปัสสาวะออกมาเป็นเหงือ่อหรือเลือดไหลออกไปตามทางผิวหนังทั้งหมดจะเข้าไปมันก็เข้าไปผสมกับเลือดนั่นแหละเพรมันก็เป็นเลือดของเราดิก็ใช่แล้วท่านฟังนะ้ําที่เราดื่มทั้งหมดเนะ่ะมันก็ไปเป็นเลือดก่อนถ้าใครเคยบริจาคเลือดนะหรือว่าเจออุบัติเหตุเนี่ยจะมีบาดเนี่ยนะหรือเดินเตะโต๊ะนี้แล้วเลือดไหลงง เลือดนั่นแหละตั้มฟังที่มันไหลออกมานั่นแหละจะผ่านสลิงเขาดูดออกหรือจะเป็นแผลผิวหนังเปิดออกเลือดไหลออกมาก็เลือดนี่แหละเอาเลือดของใครเนี่ยก็ของเราเนี่ยแหละไหลออกจากร่างกายมากๆตายได้นะบางกนคิดว่านี่คือเลือดของฉันเนีฉันไปบริจาคเลือดวันนี้เลือดของคุณอื่นก็บริจาคมาให้ฉันเอาเลือดของคุณอื่นมา ใส่ให้คุณมันก็เป็นของคุณเออใช่ฮะแล้วมันเป็นของเขาแล้วก็เป็นของเราได้เราไปบริจาคเลือดเป็นของเราแล้วก็ให้เขาได้ความยึดถือไงความยึดถือมันเกิดขึ้นที่ธาตุน้ําเนี่ยได้จากที่ตอนแรกไม่ได้มีความยึดถือว่าไอ้นี่น้ําของใครอยู่ในตู้เย็นไม่รู้แล้วเราหยิบขึ้นดื่มก่อนละมันก็เป็นเลือดของเราใช่ไหมล่ะเออมันก็เป็นตัวเราขึ้นมาของเราขึ้นมา ทั้งที่จะยึดถือหรือไม่ยึดถือก็ตามคือเป็นธาตุน้ําเหมือนกันเหมือนกันนะเราเค่อยมายึดถือหรือบางทีปัสสวาวะเรานี่ยถ่ายออกไปแล้วโอ้รีบกดทิ้งเลยเหม็นๆสีก็ไม่น่าดูอา้าวกรรคิจอยู่ในตัวของคุณเนี่เป็นของคุณมาเนี่ยทาไมปัสสวาวะออกแล้วไม่ใช่ของเราก็ความยึดถือตอนนั้นจะไม่ยืนแล้วฉัไม่เอาแต่ตรงที่มันอยู่ในตัวที่ฉันยังยึดอยู่ ไอ้น้ำเป็นน้ำเหมือนกันไหมเหมือนเดิมเหมือนกันเลยจากน้ำที่ก่อนดื่มก็ไปจนถึงน้ำที่ไหลออกมาแล้วเป็นธาตุน้ำเหมือนกันแล้วน้ำที่ยังไม่ได้ดื่มอยู่ข้างนอกนี้ก็ด้วยนะเหมือนกันน้ำที่อยู่ในทะเลสาบน้ำฝนน้ำที่อยู่ในทะเลมีคุณสมบัติของความเป็นธาตุน้ำเหมือนกันก็น้ำเดียวกันนั่นแหละก็เอามาผลิต บางทีดูดน้ําจากใต้ดินน้ําจากใต้ดินมาจากไหนก็มาจากน้ําจากผิวดินน้ําจากผิวดินมาจากไหนก็จาระบบอากาศจากน้ําฝนจากน้ําทะเลวนกันไปวนกันเข้าวนกันออกวนกันขึ้นวนกันลงอยู่อย่างนี้เพราะมันไหลไปได้เออบอาบเปียกชุ่มได้บางส่วนเราไปยึดถือเทว่านีิที่ดินของฉันใช่ไหมล่ะน้ําที่ขุดขึ้นตรงเนี้ยก็เป็นน้ําของฉันด้วยเหมือนกัน ที่ดินแปลงนี้ของฉันฉันขุดสระขึ้นน้ะในสระนี้ก็เป็นของฉันด้วยเหมือนกันรถคันนี้ของฉันฉันเก็บน้ำขวดหนึ่งไว้ในรถน้ำนี้ในขวดนี้ก็เป็นของฉันด้วยเหมือนกันอันนี้ตัวของฉันมีแขนมีขาถือน้ำขึ้นมาขวดหนึ่งเอาก่อนี้น้ำของฉันเหมือนกันอยู่ในขวดข้างนอกนี้เขาบอกเอาคุณหยิบขวดพีชโอ้ไม่ใช่ของฉันแล้วของคุณก็แล้วกันแต่ความยึดถือเนี่ยมัน คือการไปได้หมดนะทุกฝังน้ำนะน้ำข้างนอกก็ตามนะข้างในด้วยนะทั้งนอกและในเป็นเหมือนกันเป็นธาตุน้ําเหมือนกันให้เข้าใจด้วยปัญญานะว่ามันเหมือนกันอย่างนี้นะมันเหมือนกันไม่ว่าคุณจะยึดถือหรือไม่ยึดถือมันก็เป็นธาตุน้ําเหมือนกันนะ่ะเร่อนี้สิเราจะไปยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราด้วยไม่ได้เพราะอะไรนะ เพราะมัน um ไม่ได้ของเรามาตั้งแต่แรกแล้วไงไอ้ที่มันเข้ามาข้างในเราคิดว่านี่เป็นของเราไอ้บางส่วนที่เราคิดว่านั่นไม่ใช่ของเราก็มันมาจากตรงนั้นแหละมันมาจากไอ้ตรงที่มันไม่ใช่ของเราแล้วคุณก็มาคิดว่าไอ้เฉพาะส่วนนี้เป็นของเราที่มันอยู่ภายในหรืออยู่ในมือหรืออยู่ในที่ของเราเราจะมาเข้าใจว่านี่เป็นของเราเท่านั้นไม่คุณเข้าใจผิดอย่าเข้าใจผิดให้เข้าใจด้วยปัญญาว่า มันไม่มีเจ้าของมาแต่ก่อนรอดเราจะมาแสดงความเป็นเจ้าของตอนนี้คุณพลาดนะคุณจะทุกข์ให้เห็นด้วยปัญญาตบฟังปัญญายัางไงเดี๋ยวจะไปว่าตอนด้ครั้งหนึ่งตอนนี้เราแจกแจงธาตุที่สามเป็นก่อนธาตุที่หนึ่งคือธาตุดินในกายของเรามีธาตุดินตั้งข้างนอกข้ในด้วยสิ่งที่เข็นแข็งธาตุที่สองคือธาตุน้ําที่ไหลไปเ อ, อิบอาบเปียกชุ่ม ทางข้างนอกก็ไหนด้วยธาตุ ท, ที่สามคือธาตุไฟธาตุไฟคือธาตุที่แสดงถึงความร้อนความอบอุน่นคือการที่เราจะรู้ถึงความที่มีธาตุไฟนี้ได้ก็ด้วยอาศัยเทอร์โมมิเตอร์คือไม่ได้จะมองดูได้โดยตาเหมือนธาตุดินธาตุน้ำฉันไม่าังจะเห็นได้ว่าเออความละเอียดนี่มันมีมากขึ้นนะละเอียดขึ้นกว่าจากธาตุดินที่เป็นของห ย, ยาบๆใช่ไหมแข็ง เอพอมันเหลวลงมันก็กลายเป็นธาตุน้ําละเอียดมากขึ้นละตอนนี้เป็นความร้อนเออพอจะรู้สึกได้นั่นเรียกว่าธาตุไฟเช่มื่อถ้าเราจุดไฟขึ้นจากไม้ขีดหรือจากไฟแชกก็ตามหรือเปิดเครื่องทําความร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าเราเอามือเข้าไปใกล้ๆหรดูจะรู้สึกถึงความอบอุ่นถึงความร้อนความร้อน ที่เกิดจากการเผาไหม้การสันดาบโดยการใช้เชื้อเพลิงคือ ว, ว่าเชื้อเพลิงแบบไหนนะถ้าเป็นน้ํามันเป็นแกส๊สพวกนี้ก็คือจากฟอสซิลแต่ถ้าเกิดความร้อนขึ้นจากกระบวนการการเสียดสี ก, นกนันก็ไม่ใช่ฟอสซิลแล้วนะเป็นการเสียดสีเป็นแหล่งพลังงานอีกแบบหนึ่งความร้อนขึ้นมาได้เหมือนกันหรือบางที่เกิดจากกระบวนการของไฟฟ้า กระบวนการอิเล็กโทรแมกเนติกไฟฟ้าและแม่เหล็กก็จะไม่เกิดความร้อนขึ้นไหนเหมือนกันอย่างมอเตอร์ไฟฟ้ า, างี่เราผ่านกระแสไฟเข้าไปเอ้ยจะไม่รู้สึกร้อนขึ้นมาตอนนี้ทุกคนไม่ได้มีอะไรขยับเลยแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเผาไหม้ด้วยอันนั้นคือกระบวนการของอิเล็กโทรแมกเนติกคือไฟฟ้าหรือเกิดจากกระบวนการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทางชีวเคมีการผสมกันของสารเคมีมบางทีก็เกิดความร้อนขึ้นมา เช่น ต, ตาตัมบฟังไปซื้อบะมี่กึ่งเร็จรลรูปเราก็จะมีซองอะไรมาให้ด้วยเนี่ยคุณทุบลงไปปุ๊บหรือขยับขยับมันปุ๊บเฮ้ยมันร้อนออกมาได้เลยเอออุ่นอาหารของเราให้ร้อนขึ้นได้นั่นก็ธาตไฟเหมือนกันนะความร้อนเกิดจากกระบวนการของเคมีหรือจะเกิดจากกระบวนการการแตกตัวการรวมตัวของอะตอมเป็นฟิวชันเป็นฟิชชันเป็นนิวเคลียร์ก็เป็นระบบ การสร้างพลังงานอีกแบบหนึ่งไม่ว่าจะแบบไหนตัมมาฟังธาตุความร้อนนี่คือความร้อนเหมือนกันความร้อนเหมือนกันนะจะเกิดจากแหล่งพลังงานอย่างไรก็ตามความร้อนที่เกิดขึ้นเหมือนกันทั้งข้างนอกข้งนอกในแต่ละรูปแบบรูปแบบเนี่ยมาดูใช่ว่ามันมีกระบวนการมีปฏิกิริยาแบบนั้นเนี่ยในร่างกายขาองเราไหมมีแน่นอนมันมีความร้อนอยู่ในตัวเรามามือจับหัวดูอุ่นไหม เออ ม, มันบางทีก็อุ่นบางทีก็เย็นไก้เย็นนั่นแหละมันก็ถาตไฟเหมือนกันนเพราะมันคือความร้อนแบบหนึ่งความเย็นคือการที่ปราศจากความร้อนความร้อนหายไปคือร้อนน้อยจะร้อนมากร้อนน้อยมันคือความร้อนเหมือนกันจะเกิดจากกระบวนการของชีวเคมีเกิดจากการเผาไหม้สารอาหารเกิดจากกระบวนการสันดาบเกิดจากกระบวนการของอิเล็กโทรแมกเนติก หรือเกิดจากกระบวนการของนิวเคลียสไม่ว่าจะฟิชชันหรือฟิวชันก็ตามรวมตัวหรือแตกตัวเป็นความร้อนขึ้นมาแล้วเหมือนกันทั้งหมดนั่นนะนะความร้อนที่มีนั้นนะ่ะมีในร่างกายของเราแน่นอนอาหารที่กินเข้าไปนี่ดูฝังมันไปรวมตัวกันแล้วมีอากาศเข้าไปสันดาบมันก็เกิดขึ้นเป็นความร้อนมาในร่างกายความร้อนที่ให้กายเราอบอุ่น ความร้อนที่ย่อยอาหารบางทีตกใจอะไรขึ้นมาโอ้เงือแตกเลยเอาทำไมคุณร้อนก็นอย่างนั้นนะโอ้มันยังกายให้กระวนกระไว้หรือบางทีกินอาหารเข้าไปแล้วทำไมรู้สึกง่วงเพราะพลังงานความร้อนของเรามันเข้าไปย่อยอาหารอยู่ถ้าไฟที่ย่อยอาหารก็มีถ้าไฟที่รักษาร่างกายของเราให้อบอุ่นไว้ก็มีถ้าไฟทั้งหมดนั้น เหมือนกันทุกฝังเป็นความร้อนเป็นความอบอุ่นเหมือนกันเป็นนั่นเดียวกันไฟที่ย่อยอาหารมันก็ไฟอันเดียวกันกับที่ทําร่างกายกองเราให้สุดสมไอ้ที่วัตถากินมากๆนี่นะแก่เร็วนะตุกฝังแต่ทําไม่กินเลยชีวิตมันก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมละ่ะเพราะมันก็ต้องกินอย่ามากเนะี่ยเพราะมันไฟอันเดียวกันบางคนเนี่ย enjoy eating มากกินอันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อย กินมากๆนี่รู้ไหมว่าจะไม่แก่เร็วเพราะว่าไฟอันเดียวกันที่ย่อยอาหารก็คือไฟที่ทำเซลล์ให้มันสุดโซมแก่ลงไปอันเดียวกันเพราะนั้นอย่า ก, กินมากดูบังจะแก่ช้าหน่อยเชือเ้อเพลิงที่ร่างกายต้องการเนี่ยเป็นรูปแบบของอาหารซึ่งอาหารนี่ยคุณลงไปจุดไฟดิคุณยนอาหารเผาเข้าในเตาไฟมันก็ไม่ได้เหมือนกันมันก็เป็นเชือเ้อเพลิงได้เหมือนกัน สมมติเราเอาข้าวอย่างนี้นะกูังนะกดลองดูก็ได้เอาเข้าให้แห้งๆแต่ยังไม่ได้หุงเอาข้าวสาเนี่ยหละมาบดเป็นผงๆแล้วจุดไฟติดนะไฟออกมาเป็สีน้ําเงินด้วยให้พลังงานเยอะด้วยเพือจะให้ไฟมันติดได้มันต้องแห้งๆ ห, หน่อยเป็นกระบวนการของข้างนอกที่สั่นดาบด้วยอากาศแต่ได้อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นการทํางานของเซลล์เขา เขาจะใช้อากาศที่เราหายใจเข้าไปเป็นออกซิเจนไปสันดาบกับพลังงานที่ได้รับมาก็ผลิตเป็นความร้อนขึ้นในกระบวนการของเซลล์ความร้อนภายในหรือความร้อนภายนอกเหมือนกันใช้หลักการเดียวกันในการสร้างความร้อนนี้ออกมาความร้อนคือธาตุไฟนี้ยึดถือได้นะตัวฝังก็พลังงานไง พลังงานที่อยู่ภายนอกพวกน้ํามันทั้งหลายที่เขาขุดขึ้นมาท่านยูเรเนียมที่มาใช้เป็นปฏิกิริยาทางนิวเคลียร์คือไม่ไม่ใช่ว่าเราจะไปเอาเองน้ำมันนั่นหรอกตามฝั่งไม่ใช่ว่าเราจะไปเอาเองธาตุนั้นหรอกตามฝั่งแต่เราต้องการความร้อนเราต้องการพลังงานพลังงานเอามาใช้ไงซึ่งมันยังไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเลยนะแต่จะเอาไปสร้างได้คุณยึดไว้ก่อนแล้วนี้ของฉันอันนี้ไมายใจของฉัน สุด้ายมันต้องการตรงนี้ไงไอ้ที่เราต้องการตรงนี้ก็คือยึดถือในอีกรูปแบบหนึ่งที่มันยังเป็นธาตุดินอยู่คือดานอยู่ในเนี่ยเป็นต้นที่มันยังเป็นธาตุน้ำอยู่คือน้ำมันเป็นต้นเพราะคุณรู้ถึงความร้อนคือธาตุไฟที่มันจะสร้างได้แต่เราไม่ได้จะเอาน้ำมันมาเก็บไว้แล้วนี่เป็นของชั้นไม่ใช่แต่เราจะเอาความร้อนเราจะเอาธาตุไฟเราจะเอาพลังงานรู้คนที่เป็นไข้ ดูคนที่อาหารไม่ย่อยอาหารไม่ย่อยในกระทะไฟมันไม่พอคนที่เป็นไข้โควิดหรือไข้หวัดใหญ่ในกระทะไฟเกินไปโอ้อันนี้ไม่อยากได้อันนี้อยากได้เขยึดถือแล้วเพราะด้วยความอยากหรืออยากที่จะไม่ได้เหมือนกันนะอยากที่จะได้ก็อยากที่จะไม่ได้ฉันฉันไม่อยากจะเป็นไข้กูคุ ณ, คณก็ไม่อยากได้ความร้อนนั้นจะมาก็ยึดถือแล้ว มีตัณหาจึงมีความยึดถือคือปารานยึดถือแล้วว่าอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ตัวเราของเรานะไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะไม่ใช่ไม่ใช่มันก็ยังอยากว่าไม่ได้ไงยังมีความอยากอยู่ดีมีความอยากว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นมันก็ยึดอยู่ดีในสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการว่าอยามีอยากเป็นมันก็เป็นตัวตนขึ้นมาอีกอยู่นั่นแหละ ต้องเห็นด้วยปัญญาอย่านผู้ชงปัญญาเบื้องต้นตรงนี้ว่าไฟคือความร้อนทั้งข้างในข้างนอกเหมือนกันไม่ว่าจะเกิดจากกระบวนการปฏิกิริยาแบบไหนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแหล่งพลังงานแบบใดเหมือนกันเหมือนกันจะไปยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้ก็แต่กี้ของเขาเราไม่ได้ยึดถือ หรือก่อนหน้านี้มันไม่ได้เป็นของเรามาแล้วตอนนี้เราจะมาเห็นว่าเป็นของเรามันถูกที่ไหนหลักอือใช่แล้วที่ว่าถ้ามันใช้หมดไปแล้ ว, ลวมันไปไหนหมดไปแล้วยึดถือได้ไหมก็ไม่มีอะไรใช้ยึดถือมันก็ยึดถือไม่ได้แล้วเอายึดถือไม่ได้ความยึดถือหายไปแล้วมันเหมือนกันไงเหมือนกันเราจะไปยึดถือได้ยังไงให้เห็นด้วยปัญญากอนะ่อนนะเบื้องต้นนะยังมีต่ออีกท่าฟังนี่คือธาตุที่สามคือธาตุไฟ เป็นความร้อนเป็นของเบาเป็นของใหม่ต่อมาธาตุลมธาตุลมคือของที่พัดไปพัดมาไหวตัวได้ธาตุลมก็เรียกว่าวายโยธาในร่างกายของเรามีธาตุลมธาตุลมก็คืออากาศที่มันเคลื่อนที่ไปอากาศคือแก๊สนะครับ่าจารย์อยากจะใช้คให้มันรัดกลุ่มนิหนึ่ง คือก๊าที่เคลื่อนที่ไปก๊าซมันมีหลายแบบก๊าสไนโตรเจนก๊าซออกซิเจนซึ่งก๊าสเหล่านั้นถ้าอุณนหนภูมิเปลี่ยนแปลงไปมันก็เป็น l i q ว i d ไนโตรเจนได้ถ้าเย็นๆหน่อยหรือเป็นของแข็งก็ได้ถ้าที่ต่ำลงไปอีกไนโตรเจนก็เปลี่ยนเป็นของแข็งของเหลวก๊าสได้ไหมตอนนี้เรากำลังพูดถึงที่อุณหภูมิปกติโดย ท, ทั่วไปเนี่ย แล้วมันก็มีสภาพที่ไหวตัวไปมาเป็นลมได้พัดได้ไม่ว่าจะไนโตรเจนออกซิเจนฮีเลียมนี่ก็ใช่มันมีทั้งหมดสิบ็ดธาตุนะที่เป็นแกส๊สเป็นธาตุลมไหวตัวได้ไหลไปได้เราพูดถึงว่าคุณสมบัติที่มันไหวตัวได้ไหลไปได้นี่คือเรียกว่าเป็นวายุธาตุหรือว่า ธาตุลมที่เราเห็นชัด ๆ, ๆเนี่ยทุกฝัง่งแอร์อย่างงี้พัดลมอย่างเงี้เวลาเราเปิดพัดลมเปิดแอร์เอออากาศมันเคลื่อนที่มาโดนตัวเราใช่ไหมอากาศที่เคลื่อนที่มาโดนตัวเราถ้ามันเคลื่อนเข้าไปในร่างกายก็เป็นลมหายใจเข้านี่ไงลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่นะ่ะคือธาตุลมที่เป็นภายในไ ห, นหลเข้าไหลออกอยู่เอาทําไมเราต้องหายใจด้วยอ๋อเพราะว่าร่างกายมันต้องการออกซิเจนไงสาหรับไปเผาผลาญอาหาร สำหรับเลี้ยงเซลให้ทำงานสร้างความร้อนได้ร่างกายเราก็ต้องการทานลมคือแกส๊สเจ้าโจงลงมาในที่นี้คือออกซิเจนไนโตรเจนอย่างเดียวได้ไหมฮีเลียมได้ไหมไม่ได้ท่องไหนที่ถ้ามีแต่แก๊สไนโตรเจนไม่มีออกซิเจนเลยคุณหายใจไม่ได้นะซับฟอเกตตายเลยเพราะไม่มีออกซิเจนในการเลี้ยงร่างกาย ไม่ใช่แก๊สอื่นๆถ้ามีแก๊สอื่นๆก็ต้องมีออกซิเจนเป็นส่วนประกอบด้วยเพียงพอต่อที่ร่างกายเราต้องการในบางสถานการณ์เขาก็จะลดออกซิเจนลงเพื่อให้ร่างกายนั้นได้รับอากาศน้อยลงให้แบบประหยัดหรือสมดุลพลังงานในบางสถานการณ์เขาต้องการเพิ่มออกซิเจนให้มากขึ้นคือแก๊สอันนี้ให้มากขึ้นเพื่อให้ร่างกายนั้นมีสภาพแตกต่างกันไปถ้าล้ม ออกซิเจนจะดตรงลงไปเลยนะที่อยู่ข้างนอกก็ตามที่อยู่ข้างในก็ตามเหมือนกันแล้วข้างในยังไปไหนนะข้างในนอกจากลมหายใจแล้วมันยังมีออกซิเจนคือาธาตุโลห์อันเนี้ยที่ไปตามร่างกายของเราเพราะมันถูกนำไปด้วยฮิโมโกรบินไงพอเข้าไปในปอดแล้วเซลล์นี้เลือกเฉพาะเอาโมเลกุลของอากาศแบบนี้ ส่งไปแล้วรับมาด้วยไอเจ้าฮีโมโกรบินแบกกันไปแบกกันมาเนี่ยอากาศที่ไหลไปในเลือดเนี่ยทงฝั ง, งมันคือลมที่เล่นไปตามตัวยังรวมถึงลมในท้องลมในไส้ลมในอวัยวะต่างๆลมในท้องลมในไส้เรามีด้วยเหรอมีสี่กระบวนการการย่อยอาหารที่เกิดจากพวกจุลินทรีย์ทั้งหลายลมันก็จะมีแก๊สที่ปลิตขึ้นมาบ้าง ในบางครั้งบางคราวซึ่งปกติมันไม่ควรจะมีอ่ะแต่ถ้าบางครั้งบางคราวมันมีอ่ะนั่นก็ลมประเภทนั้นกับการมีอยู่ในตัวของเรามันทีก็เป็นระเอออออกมานี่คือลมที่ดันขึ้นเบื้องบนหรือบางทีมันออกไปทางทว้านหนะักนั่นก็เป็นผายลมออกมานั่นก็เป็นลมที่ลงเบื้องต่ําบางคนท้องอืดด้วยแก๊สอะไรบางอย่างอยู่ในตัวอันนั่นก็ลมในท้องลมในไส้ ลมเหล่านั้นถูปล่อยออกมาถึงมันลมหายใจออกงี้เรารู้สึกอหรว่ า, วาเอ้ยเนี่ยมันมันเป็นตัวเราเนี่ยไม่เลยมันปล่อยออกไปแล้วเรารู้สึกว่าแล้วว่านี่อ่ะผ้าลมเนี่เป็นของเราอ่ะไม่เลยมันปล่อยออกไปแล้วแต่ตะกี้มันอยู่ในตัวคุณนะเออจึงค่อยว่าเป็นของเราเร อ, เอ๋อมันก็เหมือนกันกับที่เข้ามาไอ้ตอนก่อนเข้ามาจะเป็นของใครอากาศมันก็มีอยู่ทั่วไปอยู่แล้ว พอมันเข้ามาในตัวเราเราคิดว่าเป็นของเราพอมันออกนอกตัวเราไปมันจะไม่ใช่ของเรามันก็อากาศเดียวเดิมกันนั่นแหละจำฝังเป็นธาตุลมเดิมเลยคือกส๊สนะเป็นธาตุลมอันเดียวกันเหมือนกันจะภายในภายนอกจะเป็นลมอะไรเป็นกา๊าสอะไรที่ร่างกายเราต้องการก็ตามนอกจากออกซิเจนเมันก็ยังมีอ่ะหรือสิ่งอื่นที่ผลิตจากในกายของเราที่เกิดจาก ก๊าซที่เข้าไปมีทำปฏิกิริยากันแล้วอาจจะเป็นไนโตรเจนออกมาอาจจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามีคาร์บอนอะไรต่างๆออกมามีไขมันมีอะไรต่างๆแยกโมเลกุลกันแล้วอย่างคนที่เผาแผลนไขมันเนี่ยคาร์บอนมาจากไหนทำไมเกิดเป็นคาร์บอนไดออกได้ได้ก็มาจากพวกไขมันจากอาหารที่เรากินเข้าไปแยกองค์ประกอบออกมากลายเป็นธาตุหลมในที่นี้หมายถึงก๊าซต่างๆ จะภายในภายนอกมันไม่ใช่ของเราเนะี่ยเราไม่ยึดถือวันนี้เป็นอากาศของเรานั่นยึดถือเฉยๆก่อนหน้านี้เราจะไปยึดถือมันไม่ได้มันเป็นของมันอยู่แล้ว้เราจะมายึดถือตอนนี้หรอให้เห็นด้วยปัญญาชัดเจนนี่คือคิดนะไตรตรองกไอกรกรุนด้วยปัญญาฟังไตรตรองกไอกรกรุนด้วยปัญญาว่านั่นไม่ใช่ของเรานะ ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนกองเราเป็นของของโลกเขาอยู่ธรรมชาติธรรมดาเดิมอยู่แล้วต่อไปอีกตั้งแ่ฟังธาตสี่ดินน้ำไฟลมใช่ไหมยังมีอากาศสาธาติอากาศสาธาติเนี่นไม่ใช่แกส๊สตั้งฟังแต่อากาศสาธาตินั้นคือช่องว่างหมายถึงพอธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมาประกอบกันแล้ว เออในบางลักษณะมันยังมีช่องว่างที่อยู่ในกายเป็นช่องว่างๆที่ไม่มีเนื้อไม่มีเลือดเข้าไปบรรจุอยู่แล้วไม่จาเป็นต้องเป็นแก๊สก็ได้ถ้าไม่มีแกส๊สมันก็จะเป็นสุญญากาศใช่ไหมบางทีบางสิ่งไม่ได้เป็นสุญญากาศก็ได้มันก็คือเป็นช่องเป็นท่อที่มันยังไม่มีเลือดเข้าไปทุหท่านอาจารย์นึกถึงท่อน้า โดยที่มันถูกบีบแบนราบพื้เลยเนี่ยแล้วข้างในไม่มีอากาศไม่มีน้ำไม่มีอะไรอยู่ข้างในมันจะบีบแบนเลยถูกปะถ้าเราใส่น้ำดันเข้าไปนังเข้าไปนั่ง้ไปเออมันก็พองขึ้นมอีกถ้าน้ำหายไปหมดด้วยความกดอากาศภายนอกมก็ทำให้มันบีบแบน B ออกไปใช่ไหเห็ลนลักษณะที่มีช่องว่างตัวนี้แหละต้ะตงะตงองมาฟังตัวนรีวะอากาศสถาน ตัวอย่างภายนอกเช่นว่าภูเขาเนี่ยนะมันจะมีช่องอยู่ในภูเขาเราก็จะเรียกว่าถ้าถูกไหมเราเอาหมายช่องว่างตัวนี้เราไม่ได้หมายถึงอากาศที่อยู่ในนั้นนะเราหมายถึงความที่เป็นช่องว่างตัวนั้นนั่นก็ใช่อันหนึ่งหรืออาจจะในบ้านของเราอ่ะคุณสร้างบ้านขึ้นมาเนี่ยมีห้องนี้แล้วก็มีห้องนั้นห้องนี้ไว้ทําอันนี้ดูหนังห้องนี้ไว้กินข้าวอันนี้ความที่เป็นช่องเป็นห้องขึ้นมาเนี่ นี่แนะคืออากาศสะอาดไม่ได้เอาอากาศกันไหนนะแต่อากาศสะอาดหมายถึงความว่างยิ่งรวมถึงใ น, นระดับของอนุภาคเขาใช่ตัวมฟังที่ว่าช่องว่างระหว่างโมเลกุลอย่างงี้ยจะเป็นโลหะแต่ละประเภทมีช่องว่างระหว่างโมเลกุลไม่เท่ากันในช่องว่างตัวนี้ก็ทําให้หมันมีปฏิกิริยาอะไรที่เขจะทํากันต่อไปช่องว่างทั้งหมด ทั้งที่เป็นภายในหรือภายนอกเหมือนกันไงทุกฟังก็ในเมื่อธาตุาสีดินน้ำไฟลมมันไม่ได้ถูกยึดถือมาก่อนแล้วต่อมามันมาถูกยึดถือโดยความเป็นตัวเราได้อากาศสธาตคือชาติช่องว่างที่ถูกประกอบขึ้นมาจากไอเจ้าธาตุสีดินน้ำไฟลมนั้นประกอบกันแล้วมันจะไปยึดถือได้ไงเห็นภายนอกก็เหมือนกับเครื่องไหนยังไง ข้างในมันจะมีช่องที่แสดงถึงความวา่างเช่นช่องหูช่องจมูกช่องปากจะหลอดอาหารหลอดเลือดพวกนี้ที่บางทีเลือดมันไม่ได้ไหลไปอะ่ะมันเป็นช่องอยู่ใช่ไหมถ้าเลือดไหลไปมันก็จะไหลไปได้ไอ้ความที่เป็นช่องว่างอยู่เนี่ยคืออากาศสาัทธาทั้งหมดเลยต้องย้ําอีกครั้งนะทุกฝัง่งว่าอากาศสาัทธานั้นไม่ได้หมายถึงธาตุลม เพราะอากาศสัตวนั้นคือช่องว่างแต่ถ้าเป็นแก๊สเราหมายถึงธาตุลมช่องว่างภายในภายนอกเนี่ยมันดูง่ายตูมฟังเพราะมันเข้าใจอยู่มันเป็นความว่างว่างที่มันอาจจะแบบไม่ใช่ว่ามันเปิดอยู่แล้วเดี๋ยวเนี้ยแต่ถ้ามันมีอะไรไหลไปมันเปิดอยู่ได้เช่นหลอดอาหารอย่างเงี้ยนะตูมฟังนะมันจะเป็นแบรนบีบีอยู่แต่ปรากรีนายเข้าไปเพื่อมันก็พองออกตาม เนื้อหมายถึงท่าดินคืออาหารที่เข้าไปนั้นหรือน้ําหมายถึงน้ําดื่มที่เราดื่มเข้าไปนั้นมันก็เป็นคลื่นเป็นคลื่นไปไหลไปไหลไ ป, ลาไปตามช่องว่างนี้คืออากาศสถานนี้คือถ้าภายนอกเนี่ยเขาก็าต้องสร้างมันเป็นแข็งแขงไว้เพราะว่าวัตถุภายนอกมันจะเคลื่อนไปได้เช่นกูโมงรถไฟฟ้าใต้ดินอย่างเงี้ยนะเขาทำเป็นช่องไว้เนี่ เออตรงนั้นแ่ะเป็นอากาศธาตุเลยเราไม่ได้หมายถึงเอาตัวแก๊สนะแต่เราอาช่องว่างลักษณะของร่างกายที่มีช่องว่างให้อาหารไปได้ให้น้ำไปได้ให้เลือดไปได้ทั้งหมดนั่นแหละคืออากาศธาตุคือธาตุช่องว่างจะภายในภายนอกเหมือนกันเป็นลนักษณะคอนเ e p t เดียวกันให้้าดินธาตุน้ำไปได้ แล้วถ้าช่องว่างนี้เราไปยึดถื อ, อยังไงอะทุกฟังเคยได้ยินมะเร็งที่ว่าท่อน้ําดีไหมท่อน้ําดีเนี่ยมันเป็นมะเร็งได้นะและท่อเนี่ยมันก็คือช่องว่างนั่นแหละแล้วทําไมไปเป็นมะเร็งตรงช่องบางเขาไม่ได้ไปเป็นมะเร็งตรงช่องว่างทุกผังแต่ไปเป็นมะเร็งตรงเนื้อเยื่อบริเวณนั้นให้พวกเนื้อเยื่อเซลล์บริเวณนั้น มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นมะเร็งไอ้ตรงท่อตรงนั้นนะ่ะทาไมมันเป็นมะเร็งได้ล่ะเพราะมันอยู่ในร่างกายของเราเราไปยึดถือด้วยกันเป็นตัวเราขอเราขึ้นมาไงในสมัยก่อนเขายังมีข้อพิาพาทเลยช่องแคบต่างๆนี่ตอนนี้ประเทศนี้ยึดช่องแคบนี้ไว้ไม่ให้เรือผ่านไปผ่านมาได้มีข้อพิาพาททางการเมืองล่ะมีสงครามกันได้เลยนะโดยเฉพาะอย่างนะยิ่งในยุโรปนี่มีช่องแคบมากมาย ใครยึดตำแหน่งที่เป็นทางการทหารเป็นทางกลยุทธ์ได้อย่างดีมีปัญหาก็ได้อีกก็หนักแล้วช่องแคบเนี่ยมันก็คืออากาศาธาตุนะถ้าช่องว่างให้อะไรต่างๆผ่านไปได้คนเจ็บเดียวกันตูมฟังไม่เราไม่ควรยึดถือไอ้มันยึดถือได้นั่นแหละเราไม่ควรยึดถือเพราะก่อนแตนนี้มามันก็ไม่ได้ยึดถือได้แล้วยึดถือไปก็ทุกด้วยต้องเห็นด้วยปัญญา นอกจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุแล้วยังมีวิญญาณธาตุด้วยวิญญาณธาตุคือการรับรู้นั่นแหละการที่ท่านฟังไปรับรู้ได้ว่าโอ้นี่เสียงของพระมาหาไบบูลนะเนี่ยโอโอ้โอันนี้กลิ่นเขาทอดไขน่นะเนี่ยโอโอ้นี่ลมพัดลมลมแอรความร้อนน้ำหนักของตัวเราที่นั่งอยู่นอนอยู่ ในการรับรู้ตรงนี้คือวิญญาณตาที่มีลักษณะของเป็นนามละัะที่พูดมาหาอย่างเมื่อสักครู่นี้เป็นไปในทางรูปส่วนนามนั้นคือวิญญาณตาประกอบกันในลักษณะที่ให้เป็นชีวิตขึ้นมามีการรับรู้มีการตอบสนองไม่ว่าจะเป็นสัตว์เซลล์เดียวสัตว์เดรัจฉานมนุษย์หรือมีกายหยาบกายละเอียดมนุษย์นี่มันมีกายหยาบถ้ากายละเอียดก็เป็นเทวดา เป็นสัตว์นรกเป็นเปรตพวกนี้มีการละเอียดจะมีการหยาบการละเอียดจะมีความซามหรือความประณีตเช่นว่ามนุษย์บางคนี่ก็สวยหลอ่อขี้เรไม่เท่ากันนะอ่าอันไหนสวยหน่อยหล่อหน่อยก็ประณีตหน่อยอันไหนขี้เรหน่อยก็สามหน่อยการละเอียดก็ยิ่งประณีตยิ่งอะไรต่างกันขึ้นไปอีกทั้งหมดเนี่ยเป็นท่าเฉย ไม่ควรจะไปยึดถือไม่ไม่ได้ต้องเห็นด้วยปัญญาว่า น, นั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราทำไมปัญญามันจึงเกิดขึ้นตรงนี้ เ, เพราะมเหมือนกันไอ้ที่ว่าเรายึดถือนี่ของเราเนี่มนเจของเราเพราะมันเราเห็นความแตกต่างกันเราเห็นความแตกต่างกันตรงที่ว่าสิ่งนี้ให้ความสุขกับเราได้ เรามีความเพลินความพอใจในสิ่งนี้อะไรก็ตามนะไป็ว่านั้นจะเป็นดินน้ำไฟลมช่องว่างอากาศหรือไงก็ตามรวมกันแล้วมันให้ความสุขความเพลินความพอใจกับเราได้เราจึงยึดถือสิ่งนั้นโดยความเป็ น, นตัวต้นเช่นที่เล่มนี้โอเปิดแล้แหมมันบรรยากาศมันดีให้ความอบอุ่นพลังงานก้อนนี้อาหารจานนี้ ที่ดินแปลงนี้หรืออุปกรณ์ชิ้นนี้ให้ความสุขความเพื่อเป็นความพอใจของเราได้ความเพลินความพอใจนั้นฮะคืออุปาทานความยึดถือทันทีเกิดขึ้นทันทีเลยณที่นั่นเดียวนั้นนั่นเองเลยจะภายในภายนอกก็ตามนะเกิดความยึดถือขึ้นทันทีเพราะมีความเพลินความพอใจตรงนั้นความเพลินความพอใจในที่นี้ข้าพเจ้ายังรวมถึง กวมไม่ชอบความรังเกียดด้วยนะเพราะมันก็เปลินไปในลักษณะที่น่าพอใจหรือเปลินไปในลักษณะที่ไม่น่าพอใจได้หมดก็ยึดถือได้หมดสิ่งนี้ฉันไม่ต้องการในความร้อนคุณควรยึดถือความร้อนนั่นแหละโดยความเป็นกองที่เกิดจากความที่เราไม่ต้องการยึดถือตรงไหนความเป็นสภาวะความทุกข์จะเกิดขึ้นนตรงนั้นความยึดถือมันคลีคลายไปง่ายๆมากๆทุก่าัง กูเอาเงินยื่นไปให้เขาแกูเคยซื้อกาแฟมาแก้วหนึ่งเงินนี่เป็นไรธาดินส่งใบเสร็จเพืก็ส่งอะไรมาให้ธาด น, น้ําเป็นกาแฟเออนี่กาแฟของเราเดินเดินไปกาแฟหลุดมือโอโ้โหยิ่งม่ทันจะกินอลไคว่ำซะแล้วไปที่หลุดไปเนี่ยของเราไหมโอ้ยก็ของเราดิตะกี้ยังเป็นของเราอยู่เนี่ยเอาเงินซื้อมาเสียดายไหมโอ้ยก็ทุกข์ก็แหละกนี้ไงความยึดถือทําให้ทุกข์มันเกิด เอาตัดใจซะเจ่ามันเป็นเป็นไรเสียไปแล้วพอเราตัดใจแั้วนี่ยคือตัดความวิตถือใช่ไหมล่ะทุกขายไปไหมเบาบางลงนะเบาบางลงผูอยที่ว่าตัดได้มากตัดได้น้อยเข้าใจจริงไหมแต่เข้าใจด้วยปัญญาจริงๆตัดได้ยังขาดเลยมันก็ไม่เหลือทุกข์เลยแต่ถ้าไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ตัดได้นิดนึงยังเหลือทุกข์มากอยู่ ก็จะบ่นนั่นบ่นนี่โอ๊ยทำไมเป็นอย่างนี้วันนี้ดวงสวยนั่นเนี่ยว่าไปอีกแต่ไม่เคยไปคิดว่าตัวเองเดินสุ่มร้ามบ้างหรือใช้ปัญญาให้มันถูกต้องบ้างว่าอะไรมันควรยึดถือไม่ยึดถือเราควรเห็นด้วยปัญญาตามบฟังควรเห็นด้วยปัญญาสิ่งใดที่เป็นธาตุพูดง่ายๆแล้วมันก็ทุกสิ่งนั่นแหละ ธาดินธาต้น้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุช่องว่างมันประกอบขึ้นอยู่ในทุกสิ่งเอาก็อนหินมาก้อนหนึ่งดูส่วนใหญ่เป็นธาตุดินความชื้นมีไหมถังกระถานน้ำช่องว่างล่ะโปรเจ็งหวังและหมอนโมเลกุลก็มีหรือบางอย่างเอาน้ำดูน้ำนี่ไม่มีดินเลย h สอง o ล้วนๆไม่มีวัวปนนั้นก็เป็นธาตุน้ำใช่ไหมล่ะธาต์ทั้งหมดนะธาต์ทั้งหมดนั่นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดเลยนั่นแหละท่านฟัง เราต้องเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงเพาม่โดยชอบนะหมายถึงให้เกิดการละกิเลสคือเป็นสัมมาตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราปัญญาอีกขั้นหนึ่งตรองบอในทั้งหมดห้าอย่างนี้ท่านเรียบไวเหมือนกับถ้าเราโยนของสะอาดหรือไม่สะอาด ทิ้งสิ่งอะไรต่างๆก็ตามลงไปในน้ําลงไปในดินดินน้ํำนี่มันไม่ได้จะอิดหนาระอารังเกียจก็ฉันก็ยังเป็นดินของฉันเหมือนเดิมฉันยังเป็นน้ําของฉันเหมือนเดิมจะ ท, ทิ้งของสะอาดบ้างโสโคระอะไรมันไม่ได้สนใจอ่ะมันก็ยังเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเหมือนเดิมก็ดินก็เป็นดินเหมือนเดิมใช่ไหมล่ะหรือลมลมเขาพัดเข้าไปในของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างเ็ื่อเป็นลมของเขาเหมือนเดิม เอาคุณโยนของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างลงไปในไฟมันไมหมมันยังเป็นไฟของเขาเหมือนเดิมหมายถึงเขาก็ไม่ได้ว่าจะคิดว่าว่านี้รังเกียจนี่ไม่ชอบนี่ชอบไม่ได้มีความยึดถือในดินน้ำไฟลมจากของที่สะอาดหรือไม่สะอาดที่ใส่เข้าไปนั้นนั้นไม่ได้สนใจเลยว่ามันเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นนี่แหละมันคือส่วนประกอบนอกยังไงในร่างกายเรา ก็อย่างนั้นเหมือนกันแต่ทำไมมันดูด้วยตาไม่เหมือนกันก็ประกอบกันมาเป็นชีวิตแล้วไงมีความละเอียดประณีตแตกต่างกันอย่าเอาสิ่งนั้นเป็นประมาณไม่ควรยึดถือดูภายนอกแตกต่างกันอยู่แต่ในที่นี้เรากำหมาบอกว่าให้เห็นด้วยปัญญาไงให้เห็นด้วยปัญญาว่ามันเหมือนกันจุดประสงค์เพื่ออะไรเพื่อคลายความยึดถืออย่าไปยึดถือทาไมอ่ยะยึดถือแล้วมันจะเป็นทุกข์ เราเภาวนาเนี่ยเราจะเอาพ้นทุกข์คืออยู่เหนือจากภาษาที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจนั้นพรษาที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจที่เกิดขึ้นไม่ให้มันมากลุ่มรุมจิตใจของเราเพอด้วยความยี่ถือนะทุกฝั่งนะไอ้พอใจเราก็จะโอ้ลุ่มหลงไม่น่าพอใจเราโอ้ก็อยงเกลียดชังอย่างนี้คือกถูกกลุ่มรุมห่อหุ้มโดยทั้งภาษาที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจมันก็เป็นทุกข์ไง แต่ราจะอยู่เหนือข้อนี้อยู่เหนือภาษาที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจเหล่านั้นให้เราทำจิตกเราให้เสมอด้วยแผ่นดินคือปฐวีสมังผาวนังจงอบรมจิตให้เสมอด้วยน้าคืออาโปสมังผาวนังทำจิตเราให้เสมอด้วยไฟที่ไม่ว่ามันจะมีอะไรใส่ลงไปมันเฉยมันไม่หมด เตโยสมังภาวนังทำจิกรให้เสมอด้วยลมที่ว่ามันจะพัดเข้าไปในของสะอาดไม่สะอาดบ้างมันไม่มีปัญหายังเป็นลมเหมือนเดิมไม่ดีที่ถืออะไรไว้วายโยสมังภาวนังทำจิกรามันว่างเหมือนอากาศทำจิกให้เหมือนอากาศเป็นสิ่งที่ไม่ได้ตั้งอยู่เฉพาะในที่รายๆอากาสะสมังภาวนัง ว่างแบบบูฟังอย่าไปยึดถือในสิ่งใดๆสิ่งใดที่มีความไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดามีสภาพที่เป็นธาตุเราไม่ควรจะไปยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราให้เห็นด้วยปัญญาอย่างนี้แต่บูฟังเราจะอยู่เหนือจากภาระที่น่าพอาใจและไม่น่าพอาใจนั้นใดเลยทีเด็ดแต่ละฟังจบไปนั้น คือการปฏิบัติสมาธิชนิดที่เป็นรูปแบบในช่วงของจิตตะวิเวในรายการธรรมรับรุ่นที่จัดโดยมูลนิธิปัญญาบาวนาโดยมีกระพเจาพระมาหาภัยบูรุ์อพภีปุนโญเป็นผู้ดำเนินรายการท่านสามารถตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลาตีห้ถึง6โมงเช้าหรือในระบบพอดแคส ทาง YouTube ทางเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าที่เว็บไซต์กระจายคำฝังปัญญา .org p a n y a .org แล้วพบกันหมนวันพรุ่งนี้จุลปัน